หลวงพ่อท่านบอกหลวงพ่อสบายดียิ้มแย้มแจ่มใสที่ยิ้มแย้มแจ่ม yeah ใสพยมน้อยโยมเป็นย่งบ้างสติเกิดบ่อยไหมใช้ไหมเนี่ยประธานโทษค่ะช่วยถามหน่อย <c oughs> สติเกิดบ่อยหรือยัง อ, อ๋อก็บ่อยมากขึ้นเจ้าค่ะเห็นกิเลสเยอะไหมเห็นกิเลสเยอะไหมหรือไม่โฟเลย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 มันจะไหลว้บบปไปด้วยแต่ถ้าสติเราเร็วขึ้นนะมันไหลบ้บแต่นิดเดียวเราก็รู้สึกแล้วรู้สึกแล้วมันทรงอยู่ได้ชั่วขณะเดียวจริงๆก็คือเจขณะจิตถ้าพูดแบบปริยัตจริงๆก็ชั่วแว บ, บเดียวเร็วเหมือนกับพริบตานะก็เคลื่อนอีกละขยั บ, บปับป๊บปั๊บให้เราคอยรู้ใจที่หนีไปคิดนะให้รู้บ่อยๆเขนะ็นใจขยับขยับยบิ่งดี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 300ก็จำได้ก่อนหน้านั้นก็จำได้แร้วเราเราพอสอสร้อนี่อยู่กับอาจารย์อาจารย์ชื่อปียทัสสีจำได้แม่นนะอยู่ในป่านี่อาจารย์เป็นมะเร็งผิวหนังมักินลึกๆเลยที่หน้าแข้งถ้านี่หายาหาใบไม้หาอะไรม า, า, มาพอกนะยามารักษาไม่หายพออาจารย์ใกล้บรรภาพนะนั่งร้องไห้เลยพระนี่อาจารย์ก็สอน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 ธรรมะนี้จะผุดขึ้นมาสอนเราได้บางคนมีเสียงหลวงพ่อประกอบด้วยนะอะมีเสียงประกอบบางคนมีหน้าประกอบด้วยนะถ้าเสียงประกอบนี่ยังสบายใจดูไป น, นะความีหน้าประกอบนี่นะั่งเกรงไม่เฉพาะอยู่ที่ทวัดนะอยู่ที่บ้านพอเห็นหน้าประกอบนี่นก็จะเกรงขึ้นมาละใครๆเป็นมัน่งใครๆมีเสียงผุดมั่งเยอะแยะ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 ท่านบอกพิสู่ทั้งหลายให้ครูบัลลังก์ตั้งกายตรงดงํารงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวให้รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวทําแค่ที่ท่านสอนพอแล้วของเราบางคนเนะี่ยต้องเอาจิตตั้งไว้ตรงไหนก่อนที่จะไปรู้ลมเนี่ยคิดมากแล้วรู้ลมแล้วต้องรู้ตั้งแต่กระทบที่จะงอยปากที่ปลายจมูกที่เพดานที่คอที่อกนะที่ท้องไล่มีฐานเยอะแยะเลย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 ฟังหลวงพ่อไปเรืเร่อยๆภาวนาจิตใจรู้ตื่นเบิกบานนะมีจํานวนเป็นพันละตอนนี้เยอะแยะที<ๆ>่ภาวนาได้ดบเยอะดีขึ้นมานะเอาตัวรอดไปก็มียังปลุกๆลโผล่อยู่ก็เยอะหลังๆนะไม่ค่อยได้ยินนะปกติไม่ค่อยได้ยินคนมาบอกว่าหลวงพ่อปราโมทสอนผิดไม่ค่อยกล้าเถียงกับหลวงพ่อนะหลวงพ่อมีตำรายืนยัน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 อ่ะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวค่อยต่อนะ <c oughs> แล้วเตือนนะเพราะว่าธรรมะของพ่อจบแล้วจบเลยลืม <c oughs> ไม่เคยเตรียมการสอนนะเราสอนกันด้วยใจจริงๆเลยใจของคนฟังเป็นยังไงธรรมะก็เป็นอย่างนั้นแหละ